วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส4บส่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้มีเวลามาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม มาศึกษามาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราทำอะไรกันบ้างให้พวกเราสร้างอะไรกันให้พวกเราสะสมอะไรกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราสร้างกันสะสมกันก็คือทรัพย์ภายใน พราะทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ของเราที่เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนทรัพย์ภายนอกนี้เป็นของโลกนี้พอร่างกายตายไปเราเอาไปไม่ได้แนมะ้แต่บาทเดียวต่อให้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านก็ตาม เวลาร่างกายตายไปนี่ใจไม่สามารถเอาทรัพย์หมื่นล้านแสนล้านไปกับตนได้ถ้าไม่สร้างทรัพย์ภายในก็จะไม่มีทรัพย์ติดตัวไปก็จะไปแบบขอทานไปแบบที่จะต้องมาคอยขอส่วนบุญซึ่งเป็นทรัพย์ภายในจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสอนให้เรามาสร้างรับภายในกันถ้าถามว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรก็ตอบไปเลยว่าเกิดมาเพื่อสร้างรับภายในสะสมรับภายในเพราะถ้าเรามีรับภายในเราจะอยู่อย่างเศรษฐีเราจะอยู่อย่างมีความสุข หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่สามารถอาศัยทรัพย์ภายนอกได้หลังจากที่ร่างกายของเราตายไปเราต้องอาศัยทรัพย์ภายในนี่แหละคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของชาวพุทธเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างทรัพย์ภายใน พราะถ้าเราสร้างทรัพย์ภายในได้สมบูรณนะ์แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปทรัพย์ภายในนี้จะเลี้ยงดูเราไปตลอดอนันตการไม่ต้องทำให้พวกเรานี้ต้องมาคอยหาทรัพย์ภายนอกกันเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้ พวกเราไม่มีทรัพย์ภายในกันเราเลยต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติต่างๆมาหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราแต่ก็ทำได้เพียงระยะชั่วคราวทำได้เพียงระยะที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่ พอหลังจากร่างกายตายไปแล้ว<ม>ก็ไม่สามารถหาทรัพย์ภายนอกได้<ม>ทรัพย์ภายในก็หาไม่ได้ตอนที่ตายไปเพราะทรัพย์ภายในนี้ต้องหาตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้<ม>ทรัพย์ภายในนี้มีอะไรบ้างมีกี่ชนิดมีหลายชนิด เป็นระดับระดับเหมือนกับเศรษฐีมีหลายระดับเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินสิบล้านเศรษฐีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเศรษฐีก็มีแยกระดับกันว่ารวยมากรวยน้อยทรัพย์ภายในก็มีแบ่งเป็นระดับเหมือนกันทรัพย์ภายในก็จะทำให้เรารวยมากรวยน้อย ให้เรามีความสุขมากสุขน้อยตามตามลำดับลำดับที่หนึ่งของทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาสร้างกันก็คือมนุษย์ทรัพย์ตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์กันเรามีทรัพย์ของมนุษย์สมบูรณ์หรือ ย, อยังเพราะถ้าเราขาดทรัพย์ของมนุษย์ คราวหน้าเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันตายไปเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นอย่างอื่นสิ่งที่จะทาให้เรามีมนุษยสมบัติคบบริวูรณ์ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ท, ทันทีคืออะไรก็คือศีลนี่เองหรือการไม่กระทาบาศีลห้าข้อ ได้แก่หนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์นตัดชีวิตสองการไม่รักทรัพย์สามการไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่การไม่พูดปดและห้าการไม่ดื่มสุรายาเมาต่างๆและอบายมุกต่างๆด้วย นอกจากสุราแล้วก็ต้องละเว้นจากการเล่นการพนันจากการเที่ยวเต่จากความเขียดค้านจากการครบคนที่ชอบการกระทำเหล่านี้เป็นมิตร <c oughs> เพราะถ้าเขาชอบดื่มสุราเราครบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเตยเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตยถ้าเขาชอบความเกียรติค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดติค้านด้วยซึ่งถ้าเราก็ทำสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทำให้เราสูญเสียเงินทองอาบายามุกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเงินทอง มีแต่จะสูญเสียเงินทองเพราะต้องใช้เงินสุราก็ต้องเสียเงินซื้อเล่นการพนันก็ต้องเสียเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะเอาคืนก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเมื่อเล่นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็หมดเนื้อหมดเนื้อหมดตัวได้ไปเที่ยวเตก็เหมือนกัน การเที่ยวเตร่ไม่ได้ทำให้เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายความเกียดค้านก็ไม่ได้ทำให้เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายเวลาเกียดค้านก็ไม่ไปทำงานหาเงินหาทองเอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นกันก็ต้องเสียเงินเสียทองต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปขโมยเงินของผู้อื่น ไปลักทรัพย์ไปปล้นไปจ like, like ี้หรืออาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่าฟันกันก็ได้นี่คือการกระทำที่ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ใครกระทมีใครมีการกระทำเหล่านี้เราถือว่าต่ำกว่ามนุษย์คือสัตว์เดรัจฉาน คนที่ทำบาปนี่มักจะถูกจับไปขังในคุกในตารางเหมือนกับสัตว์ในราชาที่ดุร้ายเช mm hmm. ่นเสียงเสือกระเงแรดเขาจะไม่ถูกปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่าน mm hmm. เวลาที่ออกมานี้จะต้องตามไล่จับกันจับเข้าไปขังไว้ในกรงกันเพราะถ้าปล่อยออกมาอยู่ข้างนอกกรงแล้วจะต้องไปสร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้นั่นเองฉันใดผู้ที่ไม่มีศีลก็เป็นเหมือนสัตว์เดราาัจฉานจึงมักจะถูกจับไปขังไว้ในคุกในตารางคนที่ทำผิดกฎหมายก็ผิดศีลห้าทั้งนั้นแหละฆ่าฆ่าบ้างช่อโกงบ้างพูดจาหมิ่นประมาณไม่เป็นความจริงบ้าง ก็ต้องถูกไปจับไปขังไว้ในคุกในตารางเพื่อจะได้ไม่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่แหละคือคุณสมบัติของมนุษย์หรือมนุษยสยัตว์ที่ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์นยคือจิตใจของเราต้องเป็นมนุษย์ด้วยไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เพียงร่างกายคนเราในโลกนี้ มีร่างเป็นมนุษย์กันแต่จิตใจนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างทรัพย์ชนิดไหนเอาไว้ถ้าสร้างทรัพย์ชนิดของมนุษย์ก็ร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ถ้าสร้างทรัพย์ของเทวดาร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจก็เป็นเทวดาได้ถ้าสร้างทรัพย์ของเปรต ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจก็เป็นเปรต ด, ดังนั้นเราต้องระ ม, ม, มัดระวังเวลาลวที่เราทำอะไรในโลกนี้อย่าไปทำให้เราเสียคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เพราะทรัพย์มนุษย์สิททรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่สำคัญการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ดีกว่าได้เกิดเป็นสัตว์เนราฉา แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสสรุในโลกนี้<ม>ก็จะสามารถยกระดับจิตใจของทนจากมนุษย์ให้สูงขึ้นไปให้มีความสุขมากขึ้นให้เป็นเศรษฐีที่รวยกว่าเก่าเศรษฐินเศรษฐีในที่นี้หมายถึงเศรษฐีทรัพย์ภายใน แต่เบื้องต้นนี้ต้องรักษามนุษยทรัพย์หรือสะสมหรือสร้างมนุษยทรัพย์ไว้ถ้าตอนนี้เราไม่สมบูรณ์ในมนุษยทรัพย์เช่นเรายัางพูดโกโหกอยู่เรายัางรักเล็กขโมยน้อยอยู่หรือเรายัางฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ถึงแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามหรือว่าการไปกินอาหารตามร้านอาหารแล้วก็สั่งให้เอา ปลาตัวนั้นปลาตัวนี้มารับประทานอันนี้ก็ถือว่าเป็นการค่าสัตว์เหมือนกันร้านอาหารเขานิยมชอบเอาปลาใส่ไว้ในในอ่างแล้วลูกค้าเวลาเดินเข้าร้านก็ดูปลาในอ่างแล้วเลือกอาว่าจะกินตัวไหนดีนี่ก็คือลักษณะของเดรัจฉานสัตว์เดราจฉานเขาสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเอาไว้เพราะถ้าใจเราเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาตายไปเวลากลับมาเกิดเรากลับมาเป็นมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าใจเราเป็นเดรัจฉานเนี่ยตายไปเราจะกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนเป็นนกเป็นแมวเป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรต่างๆ หรือถ้ายัางไม่ได้เกิดถ้าใจเป็นเปรตก็ต้องอยู่เป็นเปรตไปก่อนถ้าใจเป็นอสุรกายก็ต้องอยู่เป็นอสุรกายไปก่อนถ้าใจเป็นนรกก็ต้องอยู่ในนรกไปก่อนการจะเป็นสิ่งเหล่านี้นี่เกิดจากการกระทําบาปคือการไม่รักษาศีลห้านี่ทําบาปด้วยความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นรังแค้นกันฟันต่อฟันตาต่อตาก็จะเป็นนรกเนี่ยอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะปิดกั้นไม่ให้ใจเราไปเรียกว่าอบายสี สถานด้วยกันเราปิดกั้นได้เรานี่แหละเป็นผู้ที่จะปิดกั้นอบายผู้อื่นมาปิดกั้นอบายให้เราไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เพียงแต่สอนเราให้รู้วิธีปิดประตูของอบายเท่านั้นเองวิธีปิดประตูของอบายก็คืออย่าไปเสพอบายยามุขแล้วก็อย่าทาบาป อย่าฆ้าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดโกดอย่าดื่มสุราอย่าเมาแล้วรับรองได้ว่าประตูบายนี้จะปิดสนิทตายไปจะไม่มีวันตกไปในอบายได้นี่คือทรัพย์ข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาสะสมกันมาสร้างกัน พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ทุกวันทุกเวลาแล้วเราจะปิดประตูาบายได้อย่างสนิทอย่าลักทรัพย์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าพูดปดอย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าดื่มสุรายามเมานี่คือทรัพย์ระดับแรกระดับที่ให้ความสุขระดับต่ำที่สุดคือทรัพย์ของมนุษย์มนุเสยทรัพย์ ถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่าความสุขของมนุษย์ก็ต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสะสมทรัพย์ที่สูงขึ้นการสะสมทรัพย์ลําดับต่อจากมนุษย์ก็คือเทวทรัพย์คือทรัพย์ของเทวดาคือจะเป็นเทวดาได้นี้นอกจากรักษาศีลห้าแล้วต้องทําบุญทําทานอย่างต่อเนื่อง ต้องทําบุญทําทานเป็นแบบเป็นกิจจลักษณะเป็นแบบเหมือนกับการทํางานเลยเดีย๋ยวเราทํางานเราไปทํางานอาทิตย์ละห้าวัน<ม>เพื่อเราจะได้รับเงินเดือน<ม>เพื่อเราจะได้เอาเงินเดือนมาใช้จ่ายกับสิ่งที่จําเป็นต่างๆนย่างใดการทําบุญเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น ให้เป็นเทวดาเราก็ต้องทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องทำทุกวันได้ยิ่งดีเช่นใส่บาตรทุกวันถ้ามีพระเดินบินบาตรผ่านมาถ้าไม่มีพระแล้วยังอยากจะใส่บาตรอยู่<ม>ก็เอาเงินที่จะซื้อของใส่บาตรนี้ใส่กระปุกกอาไว้ก่อนก็ได้แล้วพอมีโอกาส ไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนั้นไปถวายวัดก็ถือว่าได้ทำบุญทุกวันทำไมต้องทำทุกวันเพราะการทำบุญทุกวันมันจะทำให้ติดนิสัย ง, ง่ายเพราะไม่ต้องทำทีละมากมาแต่อาจจะได้มากทำทุกวันนี้เดือนหนึ่งนี้ก็ได้ต้องส0 3สิบสสิบวันถ้าทำวันละบาทก็ได้ส0สิบบาท ถ้าทำวันละร้อยก็ได้สามพันบาทถ้าจะทำทีเดียวสามพันบาทนี้บางทีอาจจะรู้สึกเสียดาย <Yeah. S 1> เพราะรู้สึกว่ามันมากง <Yeah. S 1> ั้นแต่ถ้าเราทาวันละเล็กวันละน้อยเราจะไม่รู้สึกเสียดายจะทำได้ง่ายกว่าแล้วจะทำให้เป็นนิสัยติดตัวไปด้วยวันไหน ไม่ได้ทาไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญแล้วจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเหมือนขาดอาหารญาติโยมบางท่านนี่บางทีเตรียมอาหารไ ม, ไม่ทันพระพระเดินผ่านไปบ้านเดินผ่านบ้านไปก่อนก็ต้องรีบขี่จักรยานหรือขับรถตามไปหรือบางทีก็ตามมาที่วัดเพราะเขารู้สึกว่าเวลาไม่ได้ทำบุญแล้ววันนั้นรู้สึก ขาดอะไรไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะฝึกฝนรับรวมกันเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจของเรานี้การทำบุญนี้รู้สึกก็จะยากกว่าการใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้าใช้เงินให้กับเรานี้เท่าไหร่เท่ากันเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบนี่ฝากกระเป๋าได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าจะต้องเอาไปทำบุญทำทานให้กับคนอื่นนี่มันรู้สึกเสียดายไม่อยากจะใช้มันไปเราต้องเอาชนะความตนเองให้ได้ชนะความเห็นแก่ตัวเราไม่ควรที่จะมีอะไรมากทรัพย์ภายนอกเข้าวของต่างๆไม่ต้องมีมากไม่มีประโยชน์อะไรหลังจากที่เราตายไปแล้ว คิดถึงบุญดีกว่าบุญที่เร า, เาไปได้นี้เป็นทรพัพย์ทายหน่อยที่เราจะสามารถเอาไปใช้จ่ายในโลกทิพย์ได้นี่คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเทวดานี้เขามีศีลห้าแล้วก็เขาทำบุญเป็นประจำ ทำมากทำน้อยก็มีแบ่งเป็นเทวดาหลายระดับเหมือนกันเหมือนกับเศรษฐีเศรษฐีมีระดับล้านระดับสิบล้านร้อยล้านพันล้านเทวดาก็มีหระดับด้วยกันมีสวรรค์6ระดับที่อยู่ของเทวดาเราเรียกว่าสวรรค <c oughs> ์เวลาร่างกายตายไปใจที่เป็นเทวดาก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ ขึ้นอยู่ว่าทามากทาน้อยสมมติว่าเราทาร้อยละสิบของทรัพสมบัติของเรามีหมือนหนึ่งเราทำพันหนึ่งอย่างนี้เราก็จะอยู่ระดับหนึ่งถ้าเรามีหมือนแล้วเราทำสองพันเราก็จะอยู่อีกระดับหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีหมื่นทาทั้งหมื่นนี่ก็จะได้ระดับสูงสุดเลยเพราะทำหมดเลย แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาเงินเหล่านี้มาทำบุญดีกว่าความรู้สึกคือความสุขที่ได้นั้นต่างกันมากเงินที่ได้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปทำอะไรนี้เป็นความสุขแบบควันไฟสุขเดียวๆแล้วก็จะหายไปแล้วก็ทำให้รู้สึก อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวรู้สึกไม่มีอะไรเหมือนกับอดอยากขาดแคลนทำให้เกิดความหิวขึ้นมาอีกแต่ความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานนี้จะอยู่กับใจไปนานจะให้ความอิ่มความพอกับใจจะไม่รู้สึกหิวโหวยกับอะไรไม่รู้สึกหิวโหวยกับการที่จะต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดูไปฟังอะไรไปกินไปดื่มอะไร อันี่คือผลที่ต่างกันต่อใจใช้เงินกับการซื้อของฟุ่มเฟือยใช้เงินกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้องายนี้เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเราก็เห็นคนที่เสพยาเสพติดนี้พอเสพแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆแล้วร่างกายก็สู้ผอมเพราะไม่ไม่กินอาหาร อยากจะสอยากจะเสพยาเสพติดใจของผู้ที่ใช้เงินแบบนี้ก็แบบเดียวกันใจจะสู้ผอมใจใจจะเป็นเหมือนขอทานใ จ, จหิวโหยอยู่เรื่อยๆแต่ใจของคนที่ทำบุญทำทานนี้จะเป็นใจที่อ้วนใจที่สมบูรณ์ใจที่อิ่มอยู่ตลอดเวลานนี่คือทรัพ ชนิดที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทากั น, กนถ้าเรารักถ้าเราสร้างทรัพย์ขั้นที่หนึ่งได้แล้วถ้าเป็นเศรษฐีล้านหนึ่งแล้วก็ให้พัฒนาให้เป็นเศรษฐีสิบล้านต่อไปอเศรษฐีสิบล้านของทรัพย์ภายในก็ได้เป็นเทวดาชั้นต่างๆชั้นสิบล้านชั้นยี่สิบล้านมีหชั้นด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราทำทาบุญด้วยเงินที่เรามีนี่มากน้อยเท่าไหร่ตามสัดส่วนน้อยละสิบ้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเนี่ยความสุขก็จะมามีมากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแต่เราก็จะทำได้เต็มที่แค่ระดับสูงสุดของเทวดาหรือถ้าเรามี มีหมื่นแล้วก็ทำไปหมดหมื่นเลยอย่างนี้ก็ได้เต็มร้อยแล้วในระดับของเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าระดับของเทวดาถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีที่สูงกว่าเศรษฐีระดับเทวดาเราก็ต้องมาเป็นเศรษฐีระดับพรหมพรหมนี้จะเป็นผู้ที่มีความสุขมากกว่าเทพ การจะเป็นพรหมได้นี้ก็ต้องเปลี่ยนการรักษาศีลห้ามาเป็นศีลแปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนา ม, มานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ<ม>ถ้าทำใจให้สงบได้<ม>ทำใจให้เข้าฌานได้ ใจก็จะได้กรมสมบัติจะได้เป็นพรหมซึ่งมีอยู่สองระดับเศรษฐีของพรหมนี้มีสองระดับใหญ่ๆคือรูปประพรหมกับอารู ป, ประพรหมถ้าเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็จะได้เป็นรูปประพรหมถ้าเข้าสมาธิในระดับอารูปฌานได้ ก็จะได้เป็นอรูปประพรมสูงกว่ารูปประพรมความสุขมากกว่าเป็นความสุขที่สูงสุดที่เราจะสามารถสร้างได้ให้แก่จิตใจของเราคือความสุขระดับรูปประพรมหรืออรูปประพรมสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนีถือว่าพอเพียง <c oughs> แล้วนอกเหนือจากสมบัติของ พรหมแล้วยังมีสมบัติที่เหนือกว่าอีกที่ดีกว่าอีกคือสมบัติของพรหมนี้สมบัติของเทพสมบัติของมนุษย์นี้ยังมีการเสื่อมได้เช่นเราจะสมสมบัติได้พรหมสมบัติตายไปเราก็จะไปอยู่ในพรหมโลกแต่ สมาธิหรือฌานที่ส่งเราไปสู่พรหมโลกนี้มันจะเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วพอมันหมดกำลังใจที่ถูกฌานส่งขึ้นไปสู่พรหมโลกก็จะเลื่อนลงมาจากพรหมโลกเลื่อนลงมาสู่เทวโลกถ้าได้ทําบุญทําทานได้รักษาสีหน้าไว้ก็จะลงมาสู่เทวโลกถ้าไม่ได้ทําบุญทําทาน มีแต่รักษาศินงแปลแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิก็จะผ่านเทวโลกลงมาสู่มนุษยโลกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างทรัพย์ใหม่ทรัพย์ภายในใหม่ก็จะเป็นการขึ้นลงแบบนี้สำหรับทุกๆระดับของทรัพย์ภายในมนุษยทรัพย์ก็เหมือนกันพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย เดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายก็แก่เจ็บตายถ้าไม่ได้เพิ่มไ ม, ไม่ได้ทําสะสมมนุษย์ยมนุษยสยมสมบัติไว้เช่นไม่รักษาศีลห้าตายไปก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ทุกครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าอยากจะกลับขึ้นไปเป็นเทวดา นอกจากรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องทําบุญทำทานอย่างสม่ําเสมอแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสู่พรหมโลกก็ต้องถือศีลแปดน่งฝึกนั่งสมาธิกันเพื่อให้ใจเข้าสู่รูปฌานและอารูปฌานทรัพย์เหล่านี้ยังถือว่าเป็นทรัพย์ชั่วคราวอยู่ทรัพย์ภายในนี้มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกัน ระดับที่ยังเสื่อมได้และระดับที่ไม่เสือ่อม <c oughs> ที่เราพูดถึงนี้เป็นระดับที่เสือ่อมคือมนุษยทรัพย์เทวทรัพย์หรือพรหมทรัพย์นี้ยังต้องเสือ่อม <c oughs> แต่มีทรัพย์อีกระดับหนึ่งนี้ที่จะไม่เสือ่อมเราเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์นี้จะสร้างขึ้นได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรตยมาสอนมาบอก เพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้วิธีสร้างอริยทรัพย์กันเช่ mm hmm. นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสุรูนี่ก mm hmm. ูบาจางของพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้เพียงระดับของโลกียทรัพย์คือทรัพย์ระดับชั่วคราวคือท่านรู้จักวิธีสร้างพรหมทรัพย์กันกูบาจางที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาด้วยท่านรู้จักวิธีเข้าฌานกัน เข้ า, ารูปฌปานเข้าอารูปฌปานแต่ท่านไม่รู้จักอริยสัพพ์ว่าเป็นอย่างไร <c oughs> เวลาที่ท่านตายไปท่านก็ไปเกิดที่บุญสวรรค์พรมโลกแล้วต่อไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> ยังต้องติดอยู่ในตายภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอยู่ <c oughs> จะออกจากตายภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องสร้างอริยสัพ แาะจะสร้างอริยทรัพย์ได้นี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมาสอนวิธีสร้างอริยทรัพย์ mm hmm. วิธีที่จะสร้างอริยทรัพย์ก็คือหลังจากที่ได้โลกิยทรัพย์ระดับพรหมโลกแล้วคือได้ฌานได้สมาธิแล้ว mm hmm. ก็ต้องเจริญทำอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนา เพื่อให้เห็นให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงต่อสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ต่อพบทั้งหลายที่มีในโลกนี้เช่นการมาพบรูปพบและอรูปพบว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นมนุษย์เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เป็นพรหมก็เหมือนกัน เป็นพรเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาแก่เจ็บตายก็ยังต้องมาทุกข์กันแล้วก็ต้องมาสร้างทรัพย์กันใหม่อีกสร้างมนุษยส์สยะซับหรือสร้างเทวรัพย์หรือสร้างพรหมทรัพย์ก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ตอนนี้เราไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสง์สาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้วิธีสร้างอริยทรัพย์ที่จะสอนให้เรานี้ได้มีอริยทรัพย์กัน พราะถ้าเรามีอริยทรัพย์แล้วนี้เราจะไม่เสือ่อมทรัพย์ที่เราได้นี้จะไม่เสือ่อมอริยทรัพย์นี้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันสี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าโสดาบันโสดาปิตทรัพย์ระดับที่สองเรียกว่าสกิดาคามีระดับที่สามเรียกว่าอนาคามีระดับระดับที่สี่เรียกว่าอารหรันต นี่คืออริยทรัพย์ขั้นต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะเข้าถึงคำสอนวิธีที่จะเข้าถึงคำสอนและนำเอาคำสอนนี้ให้เราเข้าสู่อริยทรัพย์ได้นี้ก็คือท่านสอนว่าหลังจากที่เราได้พร ม, มทรัพย์แล้ว คือได้ฌานแล้วได้สมาธิแล้วเราต้องมาเจริญปัญญาเพื่อให้เรามีเหมือนกับมีมีดที่จะมาตัดสังโยชน์คือเชือกที่ร้อยมัดใจของพวกเราให้ติดอยู่ในใต้ภพให้ติดอยู่ในภพของพรหมภพของเทวดาภพของมนุษย์ที่ยังทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกัน ทำให้เรายัางต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายกันถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องกลับมาทุกกับกับการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องศึกษาให้เกิดปัญญาขึนะ้นมาปัญญาที่เราต้องศึกษาก็คืออริยสัจสี่และใจรักนี้อริยสัจสี่ก็คือความจริงสี่ประการคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข ข้อที่สองเรียกว่าสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ข้อที่สามเรียกว่านิโรธความดับของทุกข์ข้อที่สี่เรียกว่ามรควิธีการที่จะดับทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจให้รู้ว่าการที่เรามาเกิดในตายภพนี้เกิดจากสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์เพราะการเกิดในตายภพนี้ คือการเข้าหากองกองทุกนั่นเองพอเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ว่าจะเกิดอยู่ในพบไหนก็ตามพบมนุษย์ก็มีเกิดแก่เจ็บตายพบเทวดาก็มีเกิดแล้วก็ตายพบพรหมก็มีเกิดแล้วก็ตายไม่มีเจ็บไม่มีแก่ของเทวดากับของพรหมไม่มีแก่แต่มีตายเขาเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์เนี่ยพอ พอจบปั๊บพอบุญหมดปั๊บก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์กันอันนี้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาติดอยู่ในตายภพก็คือต้องสร้างมรรคขึ้นมามรรคคือเหตุที่จะทำให้เราตัดสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือมรรค มรค ก, ก็คือสติปัญญานี่เองมรคนี้ก็คือความเห็นว่าการมีความอยากนี้จะทำให้เรานี้จะต้องทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราตัดความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะเกิดในกามมาพบคือความอยากเสพกามนี่เองถ้าเรายังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพ้อยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดในกามมาพบอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะเสพรูปประชานเราก็จะต้องกลับมาเกิดในพรหมโลกรูปภพอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะเสพอรูปประชานเราก็ต้องกลับมาเกิดในรูอรูปภพอรูปภพอรูปภพอยู่เรื่ อ, <S <S ๆอยๆฉะนั้นเราต้องตัดด้วยปัญญาให้เห็นว่าการมีความอยากเหล่านี้และภพชาติที่เราไปเกิดเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันต้องเสือ่อม เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องสิ้นสุดลงไปอยู่ที่พรหมโลกก็ต้องจบลงต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่ว่าจะไปอยู่พบไหนก็ตามก็จะต้องเจอความตายด้วยกันทุกทุกภพไปความตายหรือความเสื่อมถ้าไม่อยากจะเจอความตายเจอความเสื่อมก็ต้องตัดสังโยชน์ตัดความอยากทั้งสามนี้ด้วยไตรลักษณ์ ใจรักก็คือการเห็นว่าพบต่างๆนี้ไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวอ น, นิจจงเป็นธรรมชาติที่เราไปบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราที่เราจะไปสั่งได้ว่าต่อไปนี้จะเป็นมนุษย์ไปตลอดไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายนี้สั่งไม่ได้จะสั่งว่าต่อไปนี้ให้เป็นเทวดาไปตลอดก็สั่งไม่ได้ สั่งให้เป็นพรมไปตลอดก็เป็นไปไม่ได้ mm. เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราไม่ได้เป็นของเราท่านเรียกว่าอนัตตา mm. เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ mm. ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรานี้มันต้องเสื่อมลงมันต้องหมดลงแล้วเวลามันเสื่อมลงหมดลง มันก็จะทาให้เราเสียใจเศร้าใจเห็ <Yeah. S 1> นไหเวลาที่เราต้องพัดพากจากกันนี้เป็นยังไง <Yeah. S 1> เวลาที่เราเสียคนที่เรารักไป <Yeah. S 1> เราไม่อยากให้เขาไปแต่เราห้ามเขาได้ไหมห้ามเขาไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะเขาเป็นอนัตตา <Yeah. S 1> เขาไม่ได้เป็นของเรา <Yeah. S 1> เขาเป็นของธรรมชาติธรรมชาตินี้ก็คือเขาจะต้องมีการสิ้นสุดลงสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับจเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดานะนี้คือปัญญาที่เราจะต้องมีถ้าเรามีปัญญานี้เราก็จะสามารถใช้ปัญญานี้มาละสมุ ท, ทยัยหรือสังโยชน์สังโยกับสมุทัยนี่กับตัณหานี่ก็ตัวเดียวกันเพียงแต่สังโยชน์นี้เป็น เป็นการแสดงถึงความละเอียดของตัณหาความอยากต่างๆการที่เราจะเข้าถึงอริยทรัพย์ขั้นที่หนึ่งได้คือระดับของภาโสดาบันเราต้องละสามโยต์สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าสักยทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความเห็นผิด เราต้องละความลังเลยสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไมแ่แล้วก็ละการการการยึดติดอยู่กับการใช้พิธีกรรมต่างๆเพื่อมาระางับดับความไม่สบายใจของเราพิธีกรรมต่างๆนี้ไม่สามารถระางับดับความทุกข์ใจของเราได้เพราะความทุกข์ใจของเรามันเกิดจาก คามอยากของเราถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ใจหายไปเราต้องระงับความอยากของเราอย่างพระโสดาบันนี้จะทุกข์กับจะพวกเรานี้ก่อนที่จะเป็นโสดาบานันนี้เราจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกัน <Exchange. S 1> ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องห้ามใจเราอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือยอมแก่นั่นเองยอมเจ็บยอมตายเวลาผมงอกก็ปล่อยมันงอกไปเวลาหนังเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตาย แต่ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่หวั่นไหวถ้าไม่มีถ้าไม่มีความอยากในร่างกายนี้ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเลนะพอเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยมอันนี้จังเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายอนัตตาสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้พอเห็นแล้วก็ปล่อยยอมยอมปล่อยดีกว่ายอมตายดีกว่าเพราะยอมแล้วใจจะไม่ทุกข์ พอยอมปับใจที่ร้อนกวนกวายหวาดกลัวต่างๆนี้จะหายไปหมดเลยใจจะเย็นจะนิ่งสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ใจของเราอย่างความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดที่ร่างกายมันไม่ได้เกิดที่ใจแต่ใจมีความหลงเห็นมีความเห็นผิดไปเห็นว่าตนเองเป็นร่างกายด้วยก็เลยคิดว่าตนเองจะต้องแก่เจ็บตายไปด้วย แต่ความจริงใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายถ้าเห็นด้วยปัญญาแบบนี้แล้วก็จะหยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายได้พอหยุดความอยากนี้ได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปอันนี้แหละจะทำให้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเราจะเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริง เพราะว่าอริยสัจสี่ที่ได้ใช้ในการปฏิบัติก็มีจริงนะคนคนที่สอนก็ต้องมีจริงคนที่เห็นอริยสัจมาก่อนคือพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริง mm hmm. เมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรม mm hmm. เห็นอริยสัจในใจของเรา mm hmm. เห็นว่าทุกของเราเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราหยุดมันได้ครับด้วยมรคคือปัญญาด้วยการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา เราไปบังคับมันไม่ได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้มันเป็นไปใจของเราก็หายทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็เลยเห็นชัดว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงเ <S S> พราะว่าเราเห็นธรรมนะเห็นธรรมเมื่อมีธรรมเราก็ต้องรู้ว่ามีคนสอนคนที่สอนก็คือพระพุทธเจ้าแล้วคนที่เห็นธรรมได้ก็คือใครก็คือพระอริยสงฆ์ ก็คือใจของเรานี่เองที่กำลังปฏิบัติทมอยู่ <c oughs> ที่ยกระดับที่จะยกระดับจิตจากจากพรหมมาสู่เป็นพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบัน <c oughs> พอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็อันนี้จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป ถึงแม้ยังจํากับมาเกิดอีกเจ็ดภพเจ็ดชาติก็ตามเป็นอย่างเป็นเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกลับมาเกิดเจ็ดภพเจ็ดชาตแต่ถ้าว่ายังไปไม่ถึงนิพพานยังไปไม่ถึงขั้นสูงสุดถ้าตายไปก่อนนี้ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่แต่กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดภพเจ็ดชาและใจที่เป็นโสดาบันก็จะไม่หายจะไม่เสื่อมไปโสดาบันก็ยังเป็นโสดาบันต่อไปไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ก็จะทำปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปคือขั้นที่สองของพระอริยเจ้าคือทำให้กิเลตคือตัวความการอารมณ์ให้เบาบางลงให้ลดน้อยลงจากร0 0ก็ให้มันเหลือสัก 50% นต mm hmm. ตอนตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติขั้นที่สองนี้ใจยังไม่ยังมีการอารมณ์ร้อยเน พระโสดาบันนี้ยังมีการอารมณ์อยู่ร้อยเเซนตแล้วถ้ารู้ว่าการอารมณ์นี้เป็นเหตุที่ทำให้จะต้องทุกข์เป็นเหตุที่ทำให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องหาวิธีหยุดการอารมณ์ให้ได้ลดการอารมณ์ให้ได้วิธีที่จะลดการอารมณ์ก็ก็ต้องไปถือศีลแปดไปเป็นนักบวชหรือถ้าไม่ได้บวชก็ต้องถือศีลแปดกันแล้วก็หยุดการเสพการ ร่วมหลับนอนกับแฟนแต่ท่นั้นก็ยังไม่เพียงพอศีลนี้ยังไม่สามารถระ ง, งับความอยากในกามได้ต้องใช้อสุภะต้องเจริญปัญญาระดับอสุภะคือต้องดูร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้มีทั้งด้านที่สวยและมีทั้งด้านที่ไม่สวยส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ด้านที่สวยงามคือด้านนอกเห็น เห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็แต่งผมแต่งเล็บแต่งฟันกันไหมเนี่ยแต่งกันหมดเลยฟันสมัยนี้ก็ยังแต่งนะไปหาหมอฟันให้แต่งฟันกันให้สวยเล็บก็แต่งกันทาส่งทาสีให้มันสวยผมก็แต่งกันหนังก็แต่งกันคอยดึงกันอยู่เรื่อยๆอันนี้เพื่อให้มันสวยงามพอมองมองภายนอกก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมา พอเราเห็นคนที่มีรูปร่างสวยงามหล่อเหลาเนี้ก็จะเกิดการอารมณ์อยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาถ้าเราอยากจะตัดการอารมณ์นี้เราต้องมองไปมองไปในส่วนที่ไม่สวยงามของน่างกายนั่งกายมีของที่ไม่สวยงามแต่มันถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้ผิวหนังคือเนื้อเนื้อ เนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยโครงกระดูกนี่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ผิวหนังทำให้เรามองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพวกเราทุกคนมีโครงกระดูกกันแต่เราไม่เห็นกันกะโหลกศีรษะเราก็มีกันแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะมีหนังหุ้มปิดปกปิดเอาไว้งั้นเราต้องเปิ ด, ป ด, ป ด, ม, ปดมันออกมาด้วยการนึกถึงภาพของโครงกระดูก ไปดูโครงกระดูกที่เขามีแขวนไว้ตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ดูว่านี่แหละคือส่วนที่เรามองไม่เห็นกันในร่างกายของเราทุกคนพวาเราทุกคนนี่มีโครงกระดูกเหมือนกันหมดถ้านึกถึงโครงกระดูกแล้วการอารมณ์นี่มันจะไม่เกิดเวลาเห็นคนสวยคนหล่อแล้วให้นึกถึงโครงกระดูกของเขาถ้ายิ่งดีให้นึกถึงอวัยวะส่วนอื่นด้วยยิ่งดีไ เช่นปอด<ม>เช่นตับไตลำไส้อย่างนี้เป็นต้นสมองโแ<ม>ล้วเลิกถึงปฏิกูลของที่เป็นปฏิกูลในร่างกาย<ม>ที่ถูกขับถ่ายออกมามเช่นอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้<ม>ถ้านึกถึงอาการเหล่านี้แล้วการมารมนี้ที่เกิดขึ้นจะดับลงไปทันที<ม>จะไม่มีการมาร ม, ม นึกถึงกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากทางร่างกายก็ได้เช่นเวลาร่างกายตายไปนี้ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เข้าใกล้ต้องเอามือปิดจมูกกันนี่ก็คือร่างกายที่เราไปหลงรักไปชอบว่าสวยว่างามแต่เราไม่มองเวลาที่มันไม่สวยไม่งามว่ามันเป็นอย่างไรกันนั่นเองถ้าเราอยากจะตัดกามอารมณ์ให้หมดไปจากใจถ้าเราอยากจะ ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีทรัพย์ที่สูงขึ้นไป mm. ก็เราต้องหมันพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆ mm. ถ้าเราพิจารณาได้ประมาณร้อยละห้าสิบเราก็จะละการมารมได้ร้อยละห้าสิบเราก็จะได้ขั้นที่สองขั้นที่สองนี้ทําให้การมารมเบาบางลง แต่ยังไม่หมดคือบางทีก็ลืมพิจารณาบางทีก็พิจารณาเวลาที่ลืมก็การมลลมก็จะเกิดขึ้นมาได้เวลาที่ไม่ลืมพอนึกถึงการมลลมการมาลลพอนึกถึงอสุภะการมลลมก็จะดับลงไปได้อันนี้ก็จะถือว่าได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิดารามีได้ทรัพย์อริยทรัพย์ขั้นที่สองทำให้ใจมีความสุขมากขึ้น เพราะเวลามีการอารมณ์นีใจมันจะงดหยุดเนี่ยมันจะไม่มีความสุขมันกระวลกระวายกระสับกระส่ายรู้สึกว้าเวเ w ลเปล่าเปรี่ยวเดียวดายบางทีถึงกับซึมเศร้าเศร้ า, ซ, าซ้อยงอยเหงาไป <Yeah. S 1> แต่พอละการอารมณ์ได้ไปส่วนหนึ่งแนละ้วจะทำให้รู้สึกอาการเหล่านี้เบาบางลงก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงขั้นที่สองของพระอริยทรัพย์ ถ้าได้เป็นพระสกิรดาคามีแล้วก็จะไม่เสื่อมลงไปเป็นพระอนาคาเมีะมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวอริยทรัพย์นี้ไม่มีเสื่อมไม่มีลดไม่มีถอยก็จะพยาปฏิบัติให้ได้ขึ้นขั้นที่สามขั้นที่สามก็คือการตัดการมาลมให้หมดสิ้นไปจากจากใจเลยวิธีที่จะทำให้การมาลมหมดสิ้นไปจากใจก็ต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของใครนี้ พอจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นอสุภะทันทีเห็นอวัยวะต่างๆเห็นโครงกระดูกเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลภายในร่างกายพอเห็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เห็นร่างกายทุกครั้งที่เกิดการอารมณ์การอารมณ์ก็จะดับทันทีแล้วต่อไปก็จะไม่เกิดเพราะพอเห็นอะไรทีไลน่นี้พอมันจะเกิดอสุภะก็จะมาหยุดทันที แล้วต่อไปจะไม่มีการอารมณ์อีกต่อไปใจจะไม่รู้สึกหนวดหิดจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยน้อยเหงาเวลาอยู่คนเดียวจะไม่เหงาคนที่ไม่มีการอารมณ์คนที่เหงานี่มักจะเป็นคนที่มีการอารมณ์กันต้องมีแฟนแก้งเหงาต้องมีอะไรแก้งเหงากันแต่พอพอเห็นว่าแฟนนี้เป็นอสุภะเป็นเหมือนซากศพเป็นเป็นร่างกายที่ไม่สวยไม่งามมีอาการที่ หน้าเกลียนหน้ากลัวซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง <Yeah. S 1> ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วกามอารมณ์ก็จะหมดไปจากใจเนยก็จะได้อริยทรัพย์ขั้นที่สามคือขั้นพระอน า, าคามี yeah. ถ้าได้ขั้นที่หนึ่งพระขั้นที่สอ ง, สองพระสะกิ ด, ดาคามียังมีโอกาสที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อด็กครั้งหนึ่งเพราะกามอารมณ์ยังไม่หมดน <Yeah. S 1> แต่ถ้าได้ขั้นที่สามแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไป yeah. จะไม่มีเพราะไม่มีการอารมณ์เมื่อไม่มีการอ า, ารมณ์มันก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีแฟน <Okay. S 1> ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลก <Okay. S 1> แล้วก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละสังโยชน์ uh huh. ขั้นสุดท้ายเรีย mm hmm. กว่าสังโยชน์เบื้องบนมีอยู่ห้าข้อด้วยกัน mm hmm. ก็คือการยึดติดในรูปปัจจานกับอา ร, รูปปัจจานหนึ่ง mm hmm. สองการถือตัวยังถือว่าจิตนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่ยังเป็นเราอยู่ความจริงจิตนี้เป็นเพียงแต่ตัวรู้ผู้รู้เท่านั้นไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็จะละงับดับอวิชชาความความที่ยังไม่เห็นความอยากที่ละเอียดอยู่ภายในใจความอยากที่ละเอียดที่สุดก็คือความอยากที่จะทำให้ใจนี้มีความสุขตลอดเวลา ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ใจใ น, นระดับนั้นยังเป็นจิตใจที่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายลกะคือยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยังมีสุขยังมีทุกข์สลับกันไปอยู่ยังมีมีขึ้นมีลง ม, มีมีหนักมีเบาหนักอกหนักใจในบางเวลาเบาอกเบาใจในบางเวลาอยู่ก็อยากจะให้มันหายไปหมดตามอยากให้มันหายไปนี้ก็กลายเป็นอวิชชา กลายเป็นเหตุที่ทําให้ใจนี้หกวดเหยียดขึ้นมาทําให้ใจไม่สบายขึ้นมายันต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ยังมีขึ้นมีลงอยู่มีสุขมีทุกข์มีมีพุ่งสร้างมีสงบอยู่ตามธรรมชาติของจิตในระดับนั้นก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็ปล่อยมันให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปอยาก พอปล่อยความอยากในจิตนี้ได้ปั๊บจิตก็จะคลิกไปเป็นจิตอีกแบบหนึ่งเลยเป็นจิตที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีอะไรเสื่อมเพราะเป็นจิตที่ว่างว่างจากอารมณ์ทั้งปวงอันนี้แหละเป็นสังโยชน์ข้าสุดท้ายของผู้ปฏิบัติถ้าต้องการที่จะได้อริยทรัพย์ที่สมบูรณ์คือทรัพย์ของพระอรหันทรัพย์ของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะได้ ได้นิพพานตามมานิพพานก็คือจิตที่สงบตลอดเวลาเป็นจิตที่สุขตลอดเวลาเป็นจิตที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปนี่คือทรัพย์ที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงได้เห็นคุณประโยชน์ เห็นคุณค่ามาหาศาลของทรัพย์ระดับนี้เพราะจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทำให้มีความสุขตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับละขณะหลับก็มีความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความสุขที่สม่ำเสมอตลอดเวลาท่านเรียกว่าบรลมมาสุขเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์จิตทุกระดับนี้ยังมีความทุกข์อยู่ ยังมีความสุขกับสลับกับความทุกข์แต่พอถึงระดับของพระนิพพานะจะไม่มีความจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไปอย่ตอนนี้จิตของรพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นบรมสุขอยู่จิตของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่กระดูกของท่านกายเป็นพระธาตุแล้วนี้จิตของท่านก็ยังอยู่ แต่อยู่แบบบรลมมศุกต่างจากจิตของพวกเราที่อยู่เหมือนกันแต่อยู่แบบบรลลมทุกข์เนี่ยทุกแทบทุกวันแทบทุกเวลาทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ชอบหาเรื่องชอบหาทุกมาใส่หัวเองทนั้นเองถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะปล่อยได้เพราะมันเรื่องของเขาเราไปทุกกับเขาทําไมเพราะอยาก พอไปถือก็ว่าเขาเป็นของเรานนั้นเองพออะไรเป็นของเราก็อยากให้มันดีแต่ของคนอื่นไม่เห็นเราไปอยากอะไรของคนอื่นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นจะตายมันจะร้ายจะดียังไงก็ไม่เห็นไม่เดือดร้อนเลยแต่พอมาเป็นของเราปุ๊บนี่ทุกข์ขึ้นมาทันทีอยากให้มันดีตลอดเวลาพอมันไม่ดีก็เสียหกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้ ความทุกข์เกิดจากความโง่ความหลงความโง่ก็คือความหลงไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา<ม>เราต้องมาศึกษาให้เข้าใจเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับอะไรต่อไป<ม>สิ่งที่เป็นของเราที่เราควรสร้างกันก็คือทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทรัพย์ภายในอย่าไปสร้างทรัพย์ภายนอกเพราะทรัพย์ภายนอกไม่ใช่ของเราตายไปเราเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์ภายในนี้เราเอาไปได้ ถ้าเรามีศีลห้าเราก็จะมีมนุษย์ยัรัพย์ไปกับเราตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลยไม่ต้องไปเกิดเป็นเป็นเป็นนกเป็นกาเป็นหมาเป็นแมวไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องไปเป็นสัตว์เหล่านั้นก่อนไปฆ่าแมวก็ต้องไปเกิดเป็นแมวไปฆ่านกก็ต้องไปเกิดเป็นนกเนี่ยงั้นอย่าไป รักษาศีลไว้ก็จะมีมนุษยทรัพย์ไปกับเราถ้าอยากจะได้ทรพทัพย์ที่ที่สูงกว่าก็คือเทวทรัพย์ก็ต้องทําบุญทําทานสม่ําเสมอทําบุญอยู่ทุกวั น, นทําให้เป็นนิสัยแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันเอาไปทําบุญดีกว่าได้ได้ทรัพย์เงินที่ไปกินไปเที่ยวเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งเหวไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมา แต่เงินที่เอาไปทำบุญนี้ยังกลายเป็นอริเป็นทรัพย์ภายในให้กับเราทําให้เราได้เป็นเ ท, ทวดากันหลังจากที่เราตายไปแล้วแลวถ้าอยากจะไปสูงกว่าขั้นเทวทรัพย์ก็ไปฝึกสมาธิกันไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เป็นฌานให้เป็นรูปฌานเป็นแนวรูปฌานเราก็จะได้ทรัพย์ของพรมนะแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะได้ทรัพย์ที่ไม่มีวันเสือ่อมก็คืออริยทรัพย์เราก็ต้อง เจริญปัญญากันศึกษาปัญญาศึกษาอริยสัจสี่ศึกษาใจลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างไรเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถตัดสิ่งต่างๆที่ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะมีทรัพย์ที่สมบูรณ์ที่ถาวรต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราสร้างกันสะสมกัน คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็หามาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอถ้ามีมากกว่านั้นก็แบ่งเอาไปทําบุญทําทานเพื่อเป็นาการสร้างทรัพย์ภายในสร้างเทวทรัพย์ดีกว่าถ้าไม่มีทรัพย์ที่จะไปทําบุญทําทานก็ไปรักษาศีลแปดไปภาวนาได้เลยไม่นั่งสมาธิได้เลยก็ผ่านขั้นเทวดาไปเลยถ้าไม่มีเงินทําบุญทําทานจริงๆก็ไม่เป็นไรไปรักษาศีลแปดไปบวชกัน แล้วก็ไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ถ้าอยากจะได้อริยทรัพย์ก็จเจริญปัญญาดูร่างกายว่าไม่สวยไม่งามดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันแล้วพอผ่านร่างกายไปได้ก็ไปดูที่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันจิตมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดจะมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงเหมือนกันก็ให้คิดอย่างนี้ ไปแล้วต่อไปใจของเราก็จะหลุดจากการยึดการติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตายภพเนี่ยใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอีกต่อไปใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรแล้วจะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือเรื่องของทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราสะสมกันที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโวินัสตุมัเตภวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนสีริสนิจังุทธาปะจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b o o k 422ท่านครับ YouTube 307ท่านครับวิทยออนไลน์10ท่านครับผู้รับฟังนักกุฏิ138ท่านครับรวมทั้งหมด877ท่านครับประจารันถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย <c oughs> คำถามจากทาง YouTube นะคะกับสอบถามพระอาจารย์ครับปกติผมจะนั่งทาท่าขัดสมาธเิเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดจะได้ไม่เกิดความว่างนอนขณะผมนั่งผมเห็นแสงสว่างวา่ขาขณะหลับตาความเจ็บปวดจากการานั่งสมาธิก็เลยหายไปเกิดความว่างแต่ไม่เกิดความสุขหลังจากนั้นก็เข้าสภาพนี้ได้ง่ายขึ้น แค่นั่งบนเก้าอี้หลับตาเพ่งลมหายใจสักพักก็เข้าได้แต่สงสัยว่าทาไมไม่เกิดความสุขแบบที่คนอื่นเป็นแบบนี้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือยังครับยังหรอกยังต้องดูลมต่อไปเกิดแสงสว่างนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับแสงสว่างดูลมไปจนกว่าจิตจะรวมเหมือนกับตกหลุมตกบ่อถึงจะเจอความสุข คำถามจากคุณสุกัญญาค่ะถ้าเรารู้สึกว่าแม่ไม่รักเรารักแต่น้องๆเราเสียใจน้อยใจมากค่ะทางที่เรารักและเลี้ยงดูท่านกับน้องๆมาโดยตลอดไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยควรทําใจอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ทําใจว่าถ้าแม่ไม่รักเราเราก็ไม่ได้เกิดแล้วแม่เขาก็พอค้อดออกมาเขาก็จับจับจน้นํานั่นเองก็ หายใจไม่ได้แล้วก็ตายแล้วี่เขาเลี้ยงเรามาจนโตขนาดนี้ถ้าเขาไม่รักเราเขาจะเลี้ยงเราเลยงนะั้นอย่าไปมองอะไเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครั้งท่านก็ต้องให้ความเมตตากับคนอื่นด้วยรักคนอื่นด้วยยิงถ้าเขาเป็นน้องเขาเล็กกว่าเราเราเป็นพี่เราต้องเสียสละเพราะช่วงตอนที่ไม่มีน้องนี่เขาก็ทุ่มให้กับเราทุกอย่างแต่พอเขามีน้องเขาก็ต้องแบ่งไปให้น้องบ้างพอแบ่งไปนิดนึงก็หาว่าเป็นรักน้องมากกว่ารักเรานะ เรามันดูดูด้วยความไม่ยุติธรรมมากกว่าเราดูด้วยกิเลสมันก็เลยทำให้เรานี่คิดไม่ถูกขอให้คิดว่าแม่รักเราทุกคนถ้าไม่รักเราท่านจะไม่คลอดพวกเราออกมาหรอกเราก็จะไปทำแท้งกันหรือไปทำอะไรกันคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะ เมื่อวันพระที่ผ่านมาได้ฟังเทศของพระอาจารย์ว่าจิตเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดเป็นกระแสพลังงานธรรมชาติที่เรียกว่ากระแสวิญญาณหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจที่ท่านสอนแต่หนูไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นว่าสุดท้ายแล้วในขณะนี้จิตหนูยึดอะไรทั้งทังที่ความจริงกายก็ไม่ได้ยึดเพราะเป็นเพียงองค์ประกอบของธาตุสี่มีความเสื่อมเป็นที่สุด จิตก็เป็นเพียงกระแสะพลังงานไม่ใช่เราพอพิจารณาถึงตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้เจ้าค่ะกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ อ, อ๋อเรายังไม่ได้ไปทําข้อสอบหนว่าเรายึดหรือไม่ยึดลองไปอยู่ที่หน้ากลัวดูดูซิว่าเรายึดร่างกายนี้หรือเปล่าหรือเราปล่อยร่างกายนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็ยังไม่เห็นว่าเรายึดหรือไม่ยึดเราต้องไปเจอในสถานการณ์ที่ว่าเราต้อง ร่างกายจะต้องเป็นอะไรไปนี่แล้วเรายึดมันหรือไม่ยึดมันเราจะรู้ถ้ายึดเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดเราจะไม่ทุกข์ ม, มีคำถามหรือมีครับคือผมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธอยู่ในใจเป็นถีๆถีไว้ไวถูกแล้วใช่ไหมครับก็ได้ไวก็ได้ไม่ไวก็ได้แล้วแต่เราถนาัด บางทีจิตมันคงมากก็ไวๆก็ได้ก็คือบริกรรมพุโทโธในใจใช่ไหมครับ<อ>แล้วทีนี้ทำไมถึงเวลานั่งสมาธิถึงจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิเลยครับมันสาเหตุเกิดจากอะไรครับก็ยังเหมือนหุงข้ามันยังไม่สุกอ่ะก็หุงต่อไปให้มันสุกเลยไม่ใช่นั่งปุ๊บจะได้ปั๊บที่ไหนล่ะ นานก็ต้องพูดโทพูดโทไปจนกว่ามันจะสุกอะถ้ามันไม่สุกก็อย่าไปหยุดพูดโททั้งนี้ก็บริกรรมพุดโธในใจไปไเรื่อยใช่ไหมครับ ไ, ไดเรื่อยเไดเรื่อยอ๋อครับมีเท่านี้ครับไม่ใช่พูดโทรสองคำแล้วมันจะเสร็จเลยไม่ใช่<บ>เหมืนสมัยนี้เต่ามอไฟฟ้าเนี่ยพอเสีย ป, ปกักพวกก็ ไหให้มันโหงเองได้บริกรรมในใจใช่ไหมครับบริกรรมในใจไปเรื่อยๆอย่าหยุดอ๋อครับเดี๋ยวจิตมันจะสงบก็สงบเองมันใช่ั้มครับถ้ามันจะสงบมันก็มันก็จะหยุดเองครับถ้ายังไม่สงบก็ต้องพูดโทรไปเรื่ อ, ๆอยๆบริบริกรรมในใจนะครับใช่ครับขอบคุณครับคำถามจากทางเฟซบุ o กค่ะ กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะขอสอบถามของไหว้ที่ไหว้เทศกาลเทศกาลตรุษจีนเราไหวบ้บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วยังไม่ได้กินยกลาแล้วเอามาอุ่นให้เดือดเช้าวันถัดมาจะนำไปใส่บาทถือว่าผิดไหมคะเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีกำลังทรัพย์น้อยเจ้าค่ะอ๋อไม่ผิดหรอกของที่เราจะเอาไปทำบุญทาทานขอให้มันเป็นของเราแล้วกันถ้าเป็นของเราเราก็สามารถที่จะ เอาไปทําไปให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เองแต่ว่าถ้าเป็นของข้ามคืนมันอาจจะบูดหรือไม่มันมีปัญหาสมัยหมเขาถึงไม่นิยมเวลาทําของถวายพระเขาจะรมของสดๆเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวจะกลายเป็นบาปไปทําอาหารบูดไปให้พระฉันพระต้องท้องเสียวิ่งเข้าห้องนะห้องส้วมกันวุ่นไปหมดก็เลยไม่นิยมที่จะถวายของเก่าแต่สมัยนี้เรามีที่เก็บที่เอ เห็นตู้เย็นมีที่อุ่นเหมือนไมโครเวฟก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายก็ใช้ได้ใช้ได้ของเก่าของใหม่ไม่ไม่สำคัญขออย่าให้มันเสียก็แล้วกันคำถามจากคุณจิราวันค่ะเมื่อเรานั่งปฏิบัติแล้วรู้สึกถึงเวทนาที่กำลังเกิดเราควรพิจารณาเวทานานั้นหรือแค่รู้เจ้าคะ อ, อ๋อ ถ, ถ้าเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปพิจารณาปล่อยมัน ปมันไปแล้วไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจหรือทีอยู่กับพุโทโธที่เราใช้เป็นเครื่องทําความสงบต่อไปคําถามจากทางยูทูบนะค ะ, ะการฉีดยาคุมสุนัขบาปไหมครับและผมเลี้ยงปลาหางนกยุงไว้นานแล้วเป็นบาปหรือไม่หรือเท่าผมผมเอาไปปล่อยจะบาปหรือเปล่าครับคือทําหมันไม่บาปหรอกเพราะไม่ได้ไปฆ่าเขาเลี้ยงปลาก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าอาจจะ เป็าจะว่าไปขังเขาในคุกถ้าปล่อยเขาก็จะได้เป็นอิสระถ้าเราถูกขังในคุกกับถูกปล่อยเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันอะไรก็ไม่บาปทั้งทั้งสามอย่างนี้เลี้ยงปลาในในในใ น, ในตู้ก็ไม่บาปทำหมันก็ไม่บาปปล่อยปลาก็ไม่บาปทําได้ทั้งสามอย่างคาถามจากคุณเลสมีทาง youtube เจ้าค่ะ กับเรียนถามหลวงปู่เจ้าค่ะแต่ก่อนไปปฏิบัติที่วัดตอนนี้ปฏิบัติที่บ้านอยู่ในห้องพระหลวงปู่ช่วยชีย้แนะแนวทางปฏิบัติ ด, ด้วยเจ้าค่ะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านไม่มีสมาธิาเลยค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะสาธุค่ะก็ที่มันไม่ช่วยที่มันไม่สับปะยะที่บ้านมันมีเรื่องราวมันรบกวนจิตใจยอยู่เรื่อยๆมันก็เลยสงบยากกว่า ถ้าต้องอยู่ที่บ้านก็พยายามหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นพยายามปิกตัวอยู่คนเดียวแล้วพยายามท่องพุโทธโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆอย่ามีคําถามข้างหลังเนี่จากในมัทสการพระอาจารย์พอดีการนั่งสมาธิเพื่อบริกรรมให้จิตสงบใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยการทําให้จิตสงบมัน เกิดภาวะที่ว่าเกิดพิจารณาอย่างอื่นขึ้นมาแทรกก็เลยปล่อยให้ใจไปในบทบริบทของพวกนั้นแทนอย่างเช่นการทาสมาธิทําให้จิตสงบเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่อยากให้เกิดความโรคค ว, โร ค, ความโกรธความหลงแต่บางครั้งแบบเมื่อคืนนี้มีความรู้สึกว่าเกิดพิจารณาข้อธรรมคำํานึงว่าการที่เกิดความโรคความโกรธความหลงเป็นทัศนะที่มาสัมผัสเพียงถึงภายนอกกายหยาบของเรา แต่ถ้าสมมติว่าในกายละเอียดของเรามีการสั่งสมพลังจิตที่เพียงพอแล้วเราให้ความโลภ ค, ความโกรธความหลงนั้นเข้าสื่นภายในใจิตใจของเราการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างในบทธรร ม, มะเช่นนี้เป็นเป็นการอย่างไรบ้างครับก็เป็นการไม่ได้ทําสมาธิเท่าั้ถ้าจะทสมาธิก็ไม่พิ จ, จารณาก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอะไรจะมาก็ไม่ต้องไปสนใจ ก็กลับมาพุโทโธใหม่อ่าพุโทโธหรือดูลมถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปพิจารณาเลยยังไม่ถึงเวลาพิจารณามันขั้นปัญญาซึงต้องรอให้เราได้สมาธิก่อนถึงจะใช้เป็นประโยชน์ได้อนนี้ใช้ไปก็ทําอะไรใช้ไม่ได้เพราะยังไม่มีกําลังของสมาธิช่วยสนับสนุนนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรากําลังภาวนาให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียว ก็คือมุ่งมั่นเพืเกิดความสุบภายใช่ให้จิตนิ่งให้จิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิขั้งต่อต่อไปก็ก็ทําให้มันบ่อยๆก่อนทําให้มันชํานาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปทางปัญญาก็สามารถพิจารณาได้ทุกเวลาไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิก็พิจารณาได้อย่างตอนนี้คุยกันก็เป็นปัญญานะ มีคุณอโป้สอบถามเข้ามาเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าที่วัดมีบวชหรือเปล่าเจ้าค่ะมีบวชพระก็มีบวชพรามณ์ก็มีพรามก็อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันนุ่งขาวของขา ว, ขาวสําหรับสภาพสเตย์และผู้ชายด้วยก็บวชได้บวชพรามก็ได้บวชพระก็ได้ดไดถ้าบวชพระก็ต้องไปติดต่อกับเจ้าว่าถ้าบวชพรามก็ไปติดต่อกับสํานักงานของวัด ตอนนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะมีคําถามนะเชิญช่วยส่งไม้ไปหน่อยไดการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะออยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องของสติอและปัญญาอัตโนมัติอะค่ะเวลาเราพิจารณาแบบไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วแบบมันเกิดความคิดวุบขึ้นมาแบบ เห็นเห็นความคิดที่ที่ไม่ดีหรือดีของตัวเองแล้วมันสามารถดับลงไปได้มันเป็นการกดหรือการแบบข่มจิตตัวเองหรือเปล่าคะอ๋อถ้าเป็นปัญญามันไม่ได้ขม่มมันมันตัดกิเลสตัดตัวที่ทําให้เราคิดพุ่งสร้างเราพิจารณาเห็นว่าเป็นตายรักษณ์เราก็หยุดคิดไปอันนี้ก็ไม่ได้ขม่มเป็นการเป็นการสอนจิตเป็นการระงับกิเลสตัณหาด้วยปัญญา ขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะเช่นเวลาโลภอยากได้อะไรพอคิดถึงความตายไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วตื่ก็สงบคำถามจากทาง YouTube ค่ะกับเล่นถามพระอาจารย์ว่าช่วงโควิดอยู่บ้านและกินเยอะมากทำให้อ้วนจะใช้กรรมฐานข้อไหนดีครับอดอาหารข้อไหนก็อดอาหารกินกินเวนวันเว้นวันก็แล้วกัน วันนี้กินพวกนี้อดเอี่ยนยากตรงไหนเลยกินได้ทำไมอดไม่ได้ไม่มีแล้วจะ้ะค่ะหมดแล้วเหรออยา่างมีลูกเสด็จคนอย่างอยู่บ้านติดโควิดน้ำหนักขึ้นมารู้กี่กิโลเอามาอยู่บ้านครั้งนี้บอกอดเจ็ดวันเลยไม่กินเจ็ดวันเลยให้มันดูแลรูล้รอดไปไม่ตายหรอกสะสมเชื้อเพลิงไว้เยอะแล้วไขมันเต็มร่างกาย อยู่เจ็ดวันนี้ใช้ของเก่าได้ใช้สเสบียงเก่า ย, ยังไม่มีนะการอดอาหารนี่มันมีประโยชน์หลายอย่างนะมันทำให้เราขยันภาวนาะขยันปฏิบัติเพราะเวลาอดอาหารนี่มันมีความทุกข์ใจจากความหิวถ้าไม่ปฏิบัติมันจะทนไม่ไหวแต่พอปฏิบัติพยายามเจริญพุโทโธเจริญสติพยายามนั่งสมาธิเดี๋ยวพอจิตสงบความหิวก็หายไป ความหิวส่วนใหญ่มาทาง่างมาทางจิตใจ <c oughs> ความหิวทางร่างกายไม่หายแต่ไม่ทรมานความหิวทางร่างกายรู้สึกวิววิวรู้สึกว่างๆแต่ความหิวทางใจนี่มันทรมานมันจะขาดใจตายเนี่นพอเราทำใจให้สงบได้ใจอิ่มขึ้นมาเลยพอมีความสงบแล้วมันอิ่แล้วความหิวทางร่างกายก็เลยไม่มีความหมายอะไรกับใจต่อไป มันเป็นวิธีของผู้ที่ปฏิบัติที่ชอบการใช้การหดอาหารนะถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องใช้ยงนี้ไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายเลยเพราะมันจะทำให้ไม่ขี้เกียจเนะพราะวันไหนถ้ามันได้กินอาหารแล้วมันง่วงมันอยากจะหาอยากจะนอนอยากจะสบายพะวันไหนไม่ได้กินอาหารนี่มันรู้แล้วว่ามี ม, ม, มีมีกองทัพกําลังกองทุกกําลังบุกเข้ามาแนะ งั้นต้องอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องเตรียมอาวุธสู้กับมันต้องเตรียมสติเตรียมสมาธิเตรียมปัญญาถ้าเป็นปัญญาก็พิจเวลานึกถึงอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากเวลาบ้วนออกมาเวลาอเจียนออกมาหรือเวลาถ่ายออกมาถ้ามันนึกถึงอาหารเหล่านั้นแล้วไม่หิวอด ก, กีวันก็ไม่หิวแต่ถ้าไปนึกถึงอาหารที่อยู่อยู่ในจานีแม้แต่กินประโยกๆกก็ยังหิวเลย กินอิ่มไปโยกเเดี๋ยวไปนึกถึงอาหารในจานดูเลยหิวขึ้นมาอีกนะมันหิวใจแล้วก็เป็นเพชิเป็นภายต่อร่างกายร่างกายก็เลยกลายเป็นตุ่มไปมีคำถามจากคุณธรรมชาติค่ะ <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิเกิดเวทนาแต่ดูจิตรู้ว่าจิตดิ้นสลับกับนิ่งปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะก็ถ้าจิตทให้จิตนิ่งได้จะนั่งต่อไปได้ก็ถูก แต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ผิดวิธีอีกวิธีนึงก็อย่าไปดูจิตอย่าไปดูอย่าอย่าไปดูความอะไรความเจ็บให้ไปดูลมแทงถ้าเราใช้ลมก็ดูลมต่อไปถ้าเราพุโทโธเราก็พุโทโธต่อไปดีกว่าคำถามจากคุณเบนนิสักุระค่ะมีความอยากไปทำบุญอยากไปกราบครูอาจารย์ที่อยู่ไกลๆแต่ไม่มีโอกาสได้ไปสักที มันก็อยากไปอยู่อย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าครับเป็นมันไม่เป็นกิเลสเราเรียกว่าเป็นธรรมการไปอยากไปทำบุญอยากจะไปรักษาศรรีลไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นธรรมเพียงแต่ว่ามันต้องดูกาละเทศะว่าทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปอยากเพราะ อยากจะทําในสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ทําก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมก็ยังเป็นทุกข์ได้เห็นต้องรู้จักกาลเทศะถ้าไปไม่ได้ตอนนี้ก็หยุดไปก่อนแล้วพอไปได้ค่อยค่อยอยากไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ ะ, ะกราบนมัส ก, การหลวงปู่ครับการภาวนาที่ถูกต้อง ไม่ควรให้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ให้พยายามพุโทโธต่อไปถูกหรือไม่ครับถูกต้องเพราะเราไปบังคับอารมณ์ไม่ได้ห้ามอารมณ์ไม่ได้ดังนั้นให้เราอยู่กับอยู่กับพุโทโธแล้วใจเราจะนิ่งใจเราจะไม่เดือดร้อนกับอารมณ์ต่างๆคำถามจากทาง youtube ค่ะกับเรียนถามเจ้าค่ะสวดบทชินนบัญชรบางวานันทําไมตัวโยกเจ้าคะ่ะเป็นเพราะอะไรเจ้าคะ่ะ <พอ S 2> จะแก้ ไ, ไข เาไม่มีสติไงต้องสวดต้องแบบมีสติต้องรู้ทุกคำที่เราสวดอันนี้สวดไปแล้วก็ใจลอยเลยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อ ง, งนี้มันก็โยกได้แต่ถ้ามีสติอย่างเราเนี้ยตอนเนี้ยนั่งฟังคุยกันนี้ไม่ไม่ไม่โยกเลยใช่ไหมว่าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีสวดวนไปแล้วเคริมไปนี่มันก็โยกได้แสดงว่าสติไม่มีแล้วคำถามจากทางยูทู e เจ้าค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์กรณีที่เป็นคารวาสพอสวดมนต์ธรวันเช้าเย็นจบควรจะสวดควรจะสวดบทอติตะปัจจเวคณะปาทะต่อจะเหมาะสมหรือไม่ครับจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้คือการสวดนี้มันมีสองประโยชน์สวดเพื่อสติเพื่อสมาธิก็สวดบทไหนก็ได้แต่ถ้าจะสวดเพื่อให้ได้ปัญญาก็ต้องเข้าใจความหมายของบทที่เราสวด ก็บทสวดมนต์ต่างๆนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราสวดแบบไม่เข้าใจก็เหมือนฟังหมาเห่าไงหมามันเห่ายังไงเราก็ไม่รู้ว่ามแปลว่าอะไรแล้วก็ได้สมาธิจากการฟังเสียงหมาเห่าเลยแต่ถ้าเราอยากจะได้ความหมายเราก็ต้องไปอ่านคาแปลดู ว, ว่าบทนี้มีความหมายว่าอย่างไรเป็นบทที่อตีตานี้ที่บอกว่าถามจะให้ส่วนไม่ส่วนคือพระพุทธเจ้าสอนท่าว่า ก่อนที่จะรับประทานอาหารก่อนที่จะใช้ปัจจัยสี่ให้พิจารณาก่อนว่าทำเพื่ออะไรเป็นอาหารที่รับได้มานี้ไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเฮฮารับประทานเพื่อเป็นระ ง, งับความหิวของร่างกายอะไรทำนองนี้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคให้ใช้เหตุผลพิจารณาเหตุผลที่เราใช้แล้วถ้าเกิดเราลืมเราเผลอเวลาเราใช้เราไม่ได้พิจารณา ตอนเย็นเราสวนนวลก็มาพิจารณาใหม่มาพิจารณาแทนในภายหลังมีคําถามจากน้องครับเพียงถามอาจารย์ค่ะอยากราทราบวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองเวลามีคามา่ความเศร้าความเหงาควรทําอย่างไรดีครับบางทีก็รู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้คือรู้แต่คือรู้ตัวแต่ออกจากอารมณ์เศร้ไม่ได้ครับ ต้องทำใจให้สงบเพอใจสงบแล้วลมเศร้าก็จะหายไปงั้นมันฝึกสมาธิฝึกฝึกสติอยู่เรื่อยๆพอเวลาเศร้าก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไม่นานพอจิตสงบความเศร้าก็จะหายไปคำถามจากคุณก้องค่ะผมอยากแชร์ธรรมะดีๆให้คนรอบข้าง แต่ทำไมอีกใจรู้สึกว่ากลัวเขาจะหาวสอนผมจะทำอย่างไรดีครับถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องทำดีกว่าถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าทำคำถามจากคุณจุลีพรค่ะในกรณีที่คนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแต่ว่าเราจําชื่อนามสกุลใหม่ไม่ได้ถ้าทําบุญอุทิศให้เขาใช้ชื่อนามสกุลเก่าเขาจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะเขาตายไปแล้วเขาเปลี่ยนชื่อไม่ได้หรอ การทำบุญนี่ทำให้กับคนตายแล้วนะคนเป็นทำให้ไม่ได้คนเป็นก็ต้องทำของเขาเองของใครของมันคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะกลับถามท่านพระอาจารย์ขอวิธีระงับโทสะไฟเผาใจทุกมากครับคำว่าให้อภัยเราจะทำได้อย่างไรครับก็ใช้พุทโธนี่แหละให้อภัยด้วยพุทโธท่องพุทโธพุทโธไปไม่ไปตอบโต้เขาไม่ไปจองเวรจองกรรม มันก็เป็นการใช้พุโทโธแผ่เมตตาท่องพุโทโธไปจนกว่าความโกรธจะหายคำถามจากคุณเบลพานุพงค์ค่ะหลังจากที่ได้ฝึกการเจริญภาวนารู้สึกว่าชีวิตไม่กลมกลืนคลายอารมณ์แบบเมื่อก่อนบางทีคุยกับคนอื่นก็คอยกลับมารู้กายใจตัวเอง ต้องทำแกล้งเป็นนักแสดงไปแบบนี้จะมีวิธีวางใจในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรดีครับออก็ต้องเปลี่ยนสติเนเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็พูดโทของเราไปเวลาอยู่กับคนก็ต้องอยู่กับการกระทำของเขากับการพูดของเขามีสติฟังว่าเขาพูดอะไรไม่ใช่เขาพูดอะไรก็พูดโทพูดโธไปมันก็ <c oughs> มันก็ไม่รู้เรื่องเงั้นต้องเปลี่ยนเป้าของสตินะ แทนทีจะอยู่กับพุโทโธถ้าเราเจอคนก็ต้องเอามีสติอยู่กับคนดูว่าเขากําลังทําอะไรดูเขากำลพูดอะไรคําถามจะคุณคมสรรค์ค่ะกับนมัสการครับที่วัดบ้านยายไม่ค่อยมีผู้ชายมาทําความสะอาดหน้าพระประธานยายก็เลยทําความสะอาดด้วยความนอบน้อมทุกวันจะมีบาปหรือไม่ครับไม่มีหรอกเป็นบุญที่ทำความสะอาดพระประธานทําได้ แต่เขาไม่นิยมให้ผู้หญิงไปยุ่งกับพระกับวัดมากเกินไปเพราะว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันใกล้ชิดพระแล้วเดี๋ยวจะเกิดเกิดกามารมขึ้นมาได้งั้นถ้าเป็นผู้หญิงก็ถึงมากจะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับในวัดมากเกินเกินไปให้ไปได้เฉพาะตอนนี้ไปฟังเทศแล้วไปสั่นบาทเลยแต่ถ้าไปอยู่คุกคีกับพระใกล้ชิดไปเดี๋ยวกลายเป็นเอาได้ผัวได้พระเป็นผัวเลย ม, มีนะไม่ใช่ไม่มีแบ่นี้นาพาคญี่ปุ่นบวชมาตั้งสี่สิกว่าปีเนี่ยมีโยมเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไม่นานก็กลายเอาไปเป็นผัวคล้คำถามจากเฟ e บุ๊ k ค่ะขอกาขอกับสอบถามเจ้าค่ะเกี่ยวกับอายุไขของแต่ละคนที่เสียชีวิต อะไรเป็นตัวกําหนดอายุของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคะเช่นบางคนใช้ชีวิตแบบสัมมฤเธิ์เมาไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่อายุยืนเจ้าค่ะก็มันมีบุญเก่ากรรมเก่าด้วยที่เรามองไม่เห็นฉั้นบางทีกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เขาทานี่อาจจ ะ, ะสู้สูบุญเก่าที่เขาทาไว้ไม่ได้ฉะนั้นมันมันก็อยู่หลายเหตุปัจจัยด้วยกันกรรมเก่ากรรมใหม่บุญเก่าบุญใหม่นะ แล้วก็มีเรื่องอย่างอื่นเนี่ยบางทีมีโรคระบาดแพร่เนี่ยก็อยู่ที่จังหวะถ้าไปไปเจอคนที่มีโรค ก, ก็ติดโรคมันติดเชื้อมาได้เพรั้นมันมีหลายเหตุปัจจัยด้วยกันไม่ใช่อยู่ที่บุญอย่างบุญหรือบาปอย่างเดียวแล้วมหมด้เหรอไม่มีแล้วจ้ะค่ะโอเคอออมีใครอยากจะถามอยู่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา